ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีอย่าได้มีความเห็นผิดไปจากความเป็นจริงความจริงมีอย่างไรคอยพากันกำหนดรู้อย่างนั้น ธรรมดาจิตที่ยังมีอวิชชาตัณหาครอบงมอยู่นี่มันไม่ชอบจากจะพิจารณาให้เข้าถึงความจริงโดยอาศัยตัณหาราคะเป็นเครื่องกีดกันไว้ไม่ให้จิตยังเข้าไปถึงความจริง ของทุกสิ่งทุกอย่างหรือหมายเอารูปธรรมนามธรรมานี่เองถึงแม้ว่าจิตนี่จะอาศัยอยู่ในรูปธรรมนามธรรมนี่ก็ตามแต่มันก็ยังสำคัญผิดอยู่ในรูปธรรมนามธรรมนีโยถึงพากันเข้าใจ ถ้ามันเห็นถูกเหรือมันเห็นถูกก็เห็นว่ารูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีมันก็สักแต่ว่ามันไม่ใช่เขาใช่เราไม่ใช่ตัวตนอะไรมันเป็นแต่สภาวธาตมประกอบกันเข้าเท่านั้นโดยอาเอาศัยเหตุปัจจัย คือบุญและบาปที่ได้ทำมาแต่ก่อนบุญบาปนั่นแหละนำดวงจิตมาปฏิสนธิในท้องของมารดาอาศัยธาตุของมารดาบิดาเป็นฐานที่ตั้งของรูปอาศัยบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนมาตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆให้ ตกแต่งผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรหมนี้ตกแต่งตาหูจมูกกรีนกายมือเท้าอาวัยวะต่างๆโมนี้นะบุญและตกแต่งให้อย่าไปเข้าใจว่ามันเป็นเองนะถ้าถ้ามันเป็นเองแล้วมันก็ต้องเสมอกันหมดสิอันนี้รูป กายของมนุษย์นี่ย่อมมีลักษณะอาการแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันเลยทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมเป็นเครื่องตกแตง่งผู้ใดมีบาปกรรมติดตัวมาตกแต่งให้บุญก่อแต่งให้เกิดมาเป็นคนบาปก็ตกแต่งให้มีอายววุาร่างกายพิกลพิการต่างๆ ก็เราเห็นกันอยู่แล้วนี่นะมันนียผู้พิลาผู้ภาวนาทำใจสงบแล้วมันก็ย่อมมองเห็นเหตุผลของความเป็นมาแห่งรูปกายอันนี้ตามความเป็นจริงส่วนนมามธรรม เมื่อจิตมาอาศัยอยู่ในรูปอันนี้แล้วมันก็เกิดเป็นนามธรรมขึ้นมาเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณขึ้นเรียกว่าเป็นอาการของจิตนั่นแหละไม่ใช่ตัวจิตนะนามธรรมนี่มันเป็นอาการเฉยๆเหมือนอย่างไฟอย่างนี้แหละ เหมือนอย่างไฟฟ้าอย่างนี้นะตัวไฟนั้นมันอยู่ในหลอดแ้วแสงสว่างนั่นมันออกมาจากดวงไฟนั่นเองเพราะฉะนั้นแสงสว่างจึงชื่อว่าเป็นอาการของไฟมเมื่อไฟนั้นดับแสงสว่างก็ดับไปตามกันเป็น่างั้น อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อเหตุปัจจัยที่มาแต่งรูปกายอันนี้เนะ่ะมันดับไปรูปกายอันนี้มันก็ดับไปเช่นเดียวกันเมื่อมีอะไรยั่งยืนต่วพิจารณาให้มันเห็น ยิงโยเหตุปัจจัยคือบุญหระบาปนั้นไม่มีรูปร่างอะไรเลยแต่เราก็ดูลักษณะอาการที่บุญบาปมันตกแต่งให้อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละมันไม่บาปมันกระแต่งให้เป็นไปอีกแบบนึงบุญมันกระแต่งให้เป็นไปอีกแบบหนึง่งมันคนละแบบกันเป็นอย่างนั้นเวลที่นี้ทั้งบุญทั้งบาป อาศัยเหตุปัจจัยบุญคือบุญและบาปอาศัยบุญและบาปตกแต่งรูปนามนี้มาเมื่อบุญบาปหมดลงรูปนามนี้ก็แตกทำลายลงเท่านี้แหละการเกิดมาในโลกอันนี้นะพากันภาวนาพิจารณาให้เห็น เหมือนอย่างเรารับประทานอาหารลงไปอาหารไปธาตุมันก็ย่อยอาหารให้เป็นน้ําอันละเอียดแล้วก็ซึมซาบเข้าไปเลี้ยงร่างกายนี้ไว้ร่างกายนี้จึงได้เป็นปังอยู่ได้จึงไม่หิวแห้งเข้าไปถ้าหากว่าร่างกายนี้ เกิดความวิบัติาธาตุทั้งสีไม่ปองรอ ง, รองสามคัคคีกันแล้วเช่นนี้เนะี่ยอย่างว่าไฟาธาตุมันอ่อนเผาอาหารไปย่อยร่างกายไม่เพียงพอเช่นนี้ร่างกายนี้ก็ยอมสูกซีดลงไปหรือว่าท้องอืดท้องเฟอ้อท้องร่วงอะไรไปละ่ะเมื่อไฟาธาตุไม่เพียงพอแล้วอ่า เมื่อธาตุลมมันมากเกินไปมันก็ทำให้เกิดลมวิงเวียนหน้ามืดตาลายอ่อนเพรียไปอย่างนี้ถ้าลมน้อยเกินไปก็ไม่มีกำลังเลี้ยวแรงอะไรที่จะทำการทำงานเดินเหินไปมาทางไหนก็ไม่ได้ลมไม่พอเป็นอย่างนั้น ธาตุดินวิบัติมันก็ทำให้ร่างกายนี่เกิดผุพองขึ้นมาเป็นแผลเน่าเฟยธาตุดินคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้เป็นต้นน ะ, ะถ้ามันวิบัติลงไฟล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละบางที เส้นประสาทมันตีบเข้าเอาเลือดลมวิ่งไม่สะดวกมันก็เจ็บก็ปวดกันอย่างรุนแรง อ, อย่างนี้แหละไม่มีอะไรที่จะเที่ยงยั่งยืนธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนี้ก็ดีถ้ามันเที่ยงมันยั่งยืน เกิดมาแล้วมันก็ไม่แปรปูนไม่แตกดับที้มันก็ไม่ชำรุดสุดทอมแหละแต่นี่ไม่เห็นรูปใดว่ามันยังย่งยืนอยู่ในโลกตลอดไปไม่เห็นมีเลยพวกที่เกิดมาก่อนก็ตายไปหมดแล้วปู่ย่าตายายก็ตายไปแล้วเลยปู่ย่าตายายขึ้นไปน้องตาย มีแต่ตายกับตายโลกอันนี้นะ่ะแผ่นดินมันสูงขึ้นเพราะกระดูกมนุษย์มันเทินกันขึ้นอ่าเพราะธรรมชาติอย่างอื่นต้นไม้ใบไม้ผลไม้ล่วงหล่นลงสู่พื้นดินนี่สะสมนานเข้ากล า, ายเป็นธาตุดินเพิ่มพูนกันขึ้นค่อยมากขึ้นทีละน้อยละน้อยไป อย่างนี้นะมีมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปโดยสรุปแล้วรูปกายอันนี้ก็ดีนอกรูปกาย น, นี่ออกไปก็เหมือนกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองนามธรรมนี่ก็อาศัยรูปกาย น, นี้กับจิตเมื่อรูปกายกับจิตไม่ฟองรองกันแล้วอาศัยอยู่ไม่ได้แล้ว จิตถอนออกจากรูปนี่แล้วนามมาทำก็ดับไปนามมาทำคือมันเที่ยวไปหมายโน้นหมายนี้จํารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมันให้รู้สุขรู้ทุกข์รู้ร้อนรู้หนาวรู้เจ็บปวดอะไรหมดนี่นะนั่นแหละเมื่อจิตอาศัยอยู่ในร่างอันนี้ไม่ได้แล้วนามมาทำนี้ก็ดับไป มันก็เป็นอย่างนี้แหละมันไม่ใช่ว่าจะมีอะไรเที่ยงยั่งยืนในรูปกายอันนี้นะต้องพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจทั้งรูปประททั้งนามธรรมาานามธรรมาไม่มีรูปร่างแต่รู้ได้ด้วยทางใจใจกับกายกระทบกันก็เกิดทุกขเวทนาทุก ข, ขเวทนาขึ้นมา เกิดอุเบกขาเวทนาขึ้นอย่างนี้นะถ้าไม่มีจิตมีแต่กายอย่างเดียวมันก็นามธรรมจะไม่มีเลยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรก็ไม่มีอย่านียให้พากันสังเกตดูให้ดีาภาวนาทาใจสงบลงไปแล้วการรูปนามธรรม อาการของกีดตอนนี้มันก็เกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะเที่ยงยัางยืนเลยมันก็เหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านี้เอาไปมานะความรู้อันนี้มันไม่เกิดมันไม่ดับมันอยู่อย่างนี้ตามธรรมชาติของมันแต่ความรู้อันนี้เนะ่ะ เมื่อมันยังไม่ฉลาดมันจึงต้องยึดน่นยึดนี่ได้มาอาศัยรูปกายอันนี้โยมเนื่องจากว่าเมื่อมันเกิดมาแต่แรกมันก็อาศัยรูปจิตอันนี้นะท่านกล่าวไว้ว่าตั้งแต่เป็นสัตว์เล็กๆอยู่ในน้ำคลํา โน่นแหละมาจนมันพัฒนาตัวเองเจริญใหญ่ขึ้นเป็นสัตว์ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาโดยลำดับในที่สุดก็สัตว์นี้ได้ใกล้ชิดกับมนุษย์ยินดีกับมนุษย์ไปมาตายแล้วก็มาเกิดเป็นคนขึ้นมาอีกนันเรียกว่าพัฒนาตัวเองมาโดยลำดับ มาเป็นคนไม่มีสติปัญญาอยู่นั่นกันหลายนานหลายชาติหลายภพกลัวว่าอินทรีย์นี่มันจะแก่กล้าขึ้นมาจะมีสติมีปัญญารู้การสวยงางหาเรื่องชีพทำความเจริญให้แก่ตนมีบ้านมีเรือนอันมั่นคงท้าววนมีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างสมัยปัจจุบันนี่ เมื่อกันเนื่องมาแต่มันพัฒนามาแต่ความไม่รู้นั่นนี่ให้เกิดเป็นความรู้ความฉลาดขึ้นมาโดยลำดับที่นี้พูดถึงว่าไอ้ท่านผู้ที่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของอุปเทเจ้าเมื่อได้ฟังคำสอนของอุปเทเจ้าแล้วก็เชื่อการกระทำของตัวเอง ว่าตนจะมีความสุขความทุกข์ใดๆก็เกิดจากการกระทําของตนเองไม่ได้อาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกผู้ได้รู้อย่างนี้แล้วมันก็ตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยเพราแต่ก่อนเมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพรนะพุทธเจ้านั่นทำ ดีบ้างทำชั่วบ้างอถ้าคบคนดีคนดีชักชวนไปทําบุญกับไปกับเขาถ้าไปคบคนชั่วคนชั่วเขาชักชวนไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปลักสิงของเขาไปช่อโกงเขาอ่ไปประพฤติผิดในกามเล่นทู่กับเมียเขาหัวเขาเขาชักชวนให้ไปกล่าวคำเท็จ หลอกลวงเอาทรัพ์สมบัติพวกอืนาเพ็นของตนก็ดีเขาชักชวนให้ไปดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาผินเนลวินก็ไปกับเขาคนไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นคนเรามันจึงมีชีวิตอยู่ไม่สม่ำเสมอเมื่อมีความสุขมาแล้ว ไม่นานหนอหนึ่งก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้รับความผิดหวังได้รับความเดือดร้อนอะไรต่ออะไรขึ้นมาซึ่งไม่สามารถจะแก้ให้ตกได้นี่แหละคนไม่รู้มันทําทั้งดีทั้งชั่วเมื่อผลมันมาอํานวยให้มันก็ได้รับทั้งสุขทั้งทุกข์คลุกเคล้ากันไปเมื่อ บุคคลใดทำตัวเป็นตัวของตัวเองปรารถนาดีใส่ตัวเองแล้วก็หาคบตั้งแต่คนดีคนประพฤติสุดจริตด้วยกายวาจาใจคนไม่บำเพ็ญตนเป็นนักเกรงเจ้าชู้เป็นนักเกรงเล่าเป็นนักเกรงเล่นการพนัน ผู้ใดเว้นจากอาบายามุกเหตุเครื่องชิ้หไหนเหล่านี้อีกอย่างหนึ่งไม่ไปคบหากับคนพ่านสันดานหยาบคนผู้เช่นนั้นแหละพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นนักปราชญ์เป็นวันเด็ดเมื่อบุคคลใดไม่ไม่บำเพ็ญตนเป็นนักเรงเจ้าชู้อย่างนี้สําหรับผู้คลองเรือนก็ย่อม มีความสมัครสมานสามัคคีกันกับครอบครัวไม่ทะเลาะวิวาดผิดเที้ยงกันเงินทองหามาได้ก็สามารถรวบรวมไว้ฝากธนาคาร อ, อย่างนี้แหละบุคคลที่ไม่บำเพ็ญเป็นนักเรงสุรากัญยะกัญชายาผีนเนโรอินโมนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละ ม, มีร่างกายสมบูรณ์ โรคภัยอะไร้าแรงไม่เบียดเบียนเพราะว่าของเสพติดเหล่านี้มันมีเชื้อโรคอยู่ในตัวมันแต่มนุษย์เราชอบกลิ่นชอบรสของมันแม้นว่ามันจะมีเชื้อโรคอยู่ในตัวมันก็ก็ยอมออก็ดื่มก็บริโภคกันไปอย่างนี้แหละหาได้คิดถึงภัยจะมาถึงชีวิตของตนใหม่ ไม่เลยหาแต่ความสนุกนั่นแหละ อ, อย่างนี้นะบุคคลผู้ไปคบกับคนพาลคนพาลก็พาชัก่วนไปทำดำเนินไปตามทางแห่งความผิดายทั้งทรัพย์สินเงินทองเข้าของแล้วเสื่อมโทรมถึงร่างกายสังขารจิตใจ ไม่มีอะไรที่จะเจริญดีขึ้นเลยร่างกายคนนี้จิตใจก็เสื่อมจากคุณธรรมอย่างนี้แหละชีวิตเลยตกต่ำไปแทนที่จะมั่งมีสิสุขอย่างคนที่เขาไม่ประพฤติชั่วดังกล่าวมานี้มันก็ไม่มีทางจะเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับเพื่อนฝุงที่เขาประพฤติดีได้ ก็ลงทุกคนเราเมื่อลงทุกอย่างนั้นแล้วมันก็ทำความดีอะไรไม่ได้เลยชีวิตก็มีแต่ตกต่ำเหมือนกับตกเหวนั่นแหละดังนั้นเนะ่ยควรพากันรู้ผู้บวชเข้ามาบางคนนะได้รับคำสั่งสอนแล้ว สแสดงโทษแห่งของเสพติดของความเป็นนักเลงเหล่านี้ให้ฟังแล้วอยู่ไม่ได้สึกออกไปมันก็ไปคบเพื่อนเกรเกรเข้าไปอีกก็เลยกลายเป็นคนเกเรไปแทนที่จะรักษาคุณงามความดีของตนไว้ให้ได้ก็รักษาไม่ได้เลยเชิงสมกับพระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ว่า ยังเวเสวติตาดีโซคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นดังนั้นทุกคนพึ่งเลือกคบคนอยู่ในโลกนี้นะที่จะมีความสุขความเจริญไปได้คนไหนไม่บำเพ็ญเป็นนักเรงสี่จำพวกนี่ควรข้อผาสมาคมโดยแท้ คนไหนไม่โลภมากไม่ประพฤติทุจริตหลอกลวงชอโกงเอาสมบัติผู้นั้นเป็นของตนหากินโดยทางซื่อสัตย์สุจริตควรครบกับบุคคลเช่นนั้นคนไหนไม่เป็นนักเลงเจ้าชู้รักเดียวใจเดียวอย่างนี้ก็ควรครบหากับบุคคลเช่นนั้นคนไหนไม่ชอบเล่นการพ น, นัน หาเงินหาเงินหทองได้มาแล้วมากกว่าีน้อยกว่าีกเขาแบ่งสรรพันส่วนใช้สอยให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นเหลือใช้เหลือใจเขาเอาไปฝากธนาคารคนนั้นเรียกว่าคนไม่โลภควรครบหาสมาคมโดยแท้คนไม่เล่นการพรนันขันต่อนี่ หาเอาด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยสติปัญญาของตนอย่างนี้เงินทองที่ได้มานั้นมันก็เสียดายเพราะมันหามาได้ด้วยความยากลําบากอย่างนี้นะมันย่อมเสียดายจึงจึงรู้สึกประหยัดใช้ประหยัดจายไอเงินทองที่หามาได้ด้วยการเล่นการพนันขันต่ออะไรต่งตางๆหมูนี้ มันได้มาง่ายๆนี่มันไม่เสียดายอ่าตัณหามันชักจูงให้ใช้จ่ายสูรยส้รุสู้ร้ายไปโดยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อย่างนี้เนะี่ยผูคนเช่นนั้นนะ่ะแม้นจะมีเงินร้อยล้านอย่างนี้มันก็ลงจนได้เหมือนกันนะอนี้แหละพรไม่รู้จักประมาณในการใช้การจ่ายไม่รู้จักประหยัดอืม บางคนน่ะจนมีเงินน้อยเดียว ม, มีน้อยเดียวใช้จ่า ย, ายมันซ้าแหละมันเป็นยังไงบ้างแล้วไม่นึกถึงความเดือดร้อนจะติดตามมาในภายหลังลนั่นแหลเมื่อเงินหมดแล้วจะเอาไงวันี้คนเราอยู่ในโลกนี่ต้องเป็นอยู่กับเงินเนี่ยมีเงินมีทองชำระหนี้ได้ ก็จึงไปซื้อเอาสิ่งของเขาได้เมื่อมีเงินไม่มีทองจะไปขอเอาหยิบเอาดื้อๆในีใครจะให้ล่ะกฎหมาย ม, มีถ้าไปทำอย่างนั้นตำรวจเขาก็จับเข้าไปฟ้องร้องติดคุกติดตารางไปนี่เราพิจารณาดูสิเป็นอย่างนี้แหละสาเหตุที่คนเราจะตกต่ำลงไปนั่นนะเวเพราะว่าชาต ก่อนก็บำเพ็ญตนเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเล่นการพนันเพื่อไปเที่ยวคบคนชั่วเป็นมิตรมาเกิดมาชาตินี้สันดานอันนั้นมันก็ติดตามมานิสัยอะ น, นั้นมาชาตินี้มันก็ไปบำเพ็ญตนเป็นนักเลงสี่จำพวกนั้นแหละของเกา่า อา้าเมื่อมาทำชั่วอย่างนั้นทำาไมมันยังได้เกิดมาเป็นคนเา่าบางคนก็อาจจะพินาอย่างนี้ก็ได้อันที่มันได้เกิดมาเป็นคนเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทำชั่วอย่างนั้นทุกครั้งไปเราวใดใจบุญกุศลมันก็ทำบุญทากุศลไปอย่างนี้มันมีอยู่ใจผู้ทุชนคนเราเนี่ยไม่ใช่จะใจบาปทั้งหมดถามไม่ได้ เขาใจบุญก็บใจบุญไปแล้วบุญกุศลก็นําตกแต่งให้เกิดเป็นคนมาแต่แล้วเขาทําบุญเหล่านั้นแต่ก่อ น, นีนเขาไม่ได้ฟอกกิจฟอกใจให้สะอาดเพียงแต่ทําด้วยความเชื่อว่าเราทําบุญบุญก็จะอํานวยผลให้เป็นถูกเท่านั้นแหละไม่ได้น้อมทำมากเข้าไปฟอกกิจฟอกใจ ไม่ได้น้อมปัญญาเข้าไปสอนจิตสอนใจให้เห็นโทษแห่งความชั่วต่างๆดังกล่าวมาหมู่นั้นนะ่ะดังนั้นแหละมันจึงเอาความชั่วเหล่านั้นติดตามมาผู้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วมันก็ยังไม่สายเกินไปก็ยังสามารถที่จะละกรรมชั่วเหล่านั้นได้โยอข ว, วนตื่นตัวกัน ว่าไอเราประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ในโลกนี้หรือโลกหน้าก็ดีมันก็เกิดจากความบุพพชั่วดังกล่าวมานั่นแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดไม่ใช่มีผีสางเทวดาเคาะเข็นเอ็นต้องอะไรมาทำให้ถึงความวิบัติต่างๆนานาไม่ใช่อย่างนั้นนี้นันี้ ตัวเองทำให้ตัวเองแท้แไม่ใช่สิ่งศักิ์สิท์ภายนอกมันจะมาบันดาลให้เป็นทุกข์เป็นสุขอย่างน้อนอย่างนี้ไม่มีอืมก็จงมาพิจารณาดูตัวเองนี่นะทุกคนนะดังที่ว่ามาแล้วนะั่นแหละมาบำเพ็ญปรนเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นต้นอย่างนี้นะมันก็มันก็นำความชี่หมายมาให้ มันจะมีผีสางนางไม้ที่ไหนมาทำให้คนเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนั้นนะตอนเป็นคนไม่มีศีลไม่มีสัตว์อะไรอยากพูดโกหกโคลมเลยก็พูดไปแล้วไม่มีใครเชื่อถือถอยคำคนดีเขาก็ไม่คบหาสมาคมคนโกหกบ่อยๆมาเนี่เมื่อคนดีเขาไม่คบหา มันก็ไปคบหาคนชั่วแหละวันนี้คนเราเปาน็นยัง้งก็เลยกลายเป็นคนชั่วไปนี่เดีย ว, วคนไม่มีศีลธรรมมันเป็นอย่างนั้นเดิมมันนะดังนั้นเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้แล้วบุญกุศลตกแต่งอวัยวะร่างกายให้สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้แล้วนะ มันก็มีแต่ว่าเราอาศัยร่างกายนี่แหละเป็นเครื่องมือสำหรับฝึ ก, กจิตใจดวงนี้เพราะนั้นอย่าไปปล่อยให้ร่างกายนี่มันซุบุดโสมแตกดับไปเสียเปล่าแล้วอาศัยร่างกายนี่แหละนั่งสมาธิภาวนายึดเอาคุณพระพุท ธ, ธเจ้าเป็นที่พึ่งบริกรรมพุทธโธเข้าไปในใจ ให้มั่นคงเข้าไปเมื่อใจมันไม่ยึดอารมณ์อื่นๆมันยึดเอาพุโทโธนี่เป็นที่ระลึกเป็นที่พึ่งอยู่ในใจแล้วใจมันก็เบา อ, อารมณ์ภายนอกมันดับไปแล้วนะใจก็เบาใจก็ปลอดโกงอย่างนี้แหละเมื่อผู้ใดภาวนามีสติ ประคองจิตไทยนึกพุทโธพุทโธอยู่บ่อยๆเข้าไปอย่างนี้ยสติมแก่กล้ามันก็ไม่ไม่เผเล่แล้ววันนี้ไม่เผล่คิดไปทางอื่นทีแรกมัน ก, มนก็มันก็คิดไปนั่นแหละมันก็เผลอไปแต่เมื่อเราฝึกนานๆเข้าสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็ไม่เผลมคิตก็ตั้งมั่นอยู่ในพุทโธ เมื่อจิตตั้งมั่นในพุทโธแล้ว่ะนี่กิเลสอันเป็นเครื่องรบ ก, กวนจิตใจพุ่งสร้างเรื่นลอยมันดับไปหมดแล้วมันก็รวมเป็นหนึ่งลงไปเองพุทโธก็ระ ง, งับลงก็เหลือแต่ความรู้กับสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอันนี้แหละหนทางความสุขโดยแท้จริงให้พึ่งพานเข้าใจ ไอความสุขอิงอาศัยวัตถุสิ่งของเงินทองเข้าของดังกล่าวมาแล้วนั่นน่ะมันเป็นความสุขชั่วคราวไม่ยั่งยืนอะไรเลยเมื่อบุคคลเผลอไปทำบาปทํากรรมเข้าแทนที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาอสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่อาศัยได้มีอาหาร อ, ร, อร่อยบริโภคไม่มีแล้วความสุขเหล่านั้นหาย ตายแล้วไปตกนรกหมกไหมอยู่น้าร้อนล่วกไฟเผาไป เ, เป็นเปรตเป็นผีกินน้าเน่าน้าเหลืองของตัวเองไป เ, เป็นสัตว์สิ่งที่ได้ฉานให้เขาแหล่เนื้อเถื่อนังเอามาเป็นอาหารอ่อย่างทุกไม่ว่าสมัยใดยุคใดสัตว์นี่เกิดมาสําหรับเป็นอาหารของมนุษย์แท้ๆมนุษย์ฆ่าสัตว์ในวันหนึ่งหนึ่งคิด ถั่วทั่วโลกนี้หลายล้านตัวฮ อ, อย่างนี้แหละถ้าบังเอิญใครทําชั่วลงไปแล้วได้มาเกิดเป็นสัตว์สิ่งที่ไดฉานเช่นนั่นก็ถูกเขาฆ่าเขาแกงได้รับทุกข์ทนทรมานแสนสาหัสลองคิดดูให้ดีนี่แหละจิตใจเมื่อไม่ได้ฝึกฝนนะมันไปคบผาสมาคมกับคนพาลเขาแล้ว คนพาลเขาชักจูงไปในทางชั่วทางต่ำมันก็ไปตามเขาอ่าแบนี้มันก็ไม่ปรารถนาอยากคบคนดีแล้วเก้อแล้วใจพอแล้วถ้านึกถึงว่าจะไปครคบหานักปราดบัณฑิตกรรมชั่วที่ตนทำน่ะมันไม่ยอมให้ไปอ่ะเช่นพวกที่ไปคบหาสมาคมกับพวกเรียรษี อ้าพวกที่เถียวัวชักชวนทำกรรมวิธีอันไม่เป็นประโยชน์นั้นก็ไปตามเขาแหละเป็นอย่างนั้นนะเมื่อไปคบกับบุคคลผู้ที่มีความเห็นผิดชอบฆ่า ต, ตัดตัดชีวิตบูชายันอย่างนี้แนละ้ว ต, ตนก็จำเป็นต้องทำกับเขาแหละวับนี้นะเนี่ย การไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบูชายันอย่างนั้นมันไม่เป็นทางพ้นทุกข์เลยพอไปทำลายชีวิตของสัตว์เนี่ยมันก็เป็นบาปเป็นโทษมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้เห็นความสำคัญในการขบหาสมาคมกับบุคคลถ้าคนใดนราพิสูจน์แล้วว่ามีนิสัยชั่วติดตัวมากมายนิสัยดีมีนิดหน่อย เราก็ไม่คบหาสมาคมหาทางหลีกเว้นเป็นอย่างนั้นคนฉลาดนะไม่ใช่ว่าโลกทั้งโลกจะมีแต่คนชั่วคนพาลทั้งหมดหาไม่ได้คนดีก็มีอยู่ดังนั้นเราต้องเลือกเราต้องฟังคำสอนของพระเจ้า พุทธเจ้าว่าคนพานได้แค่คนประเภทไหนดังที่แสดงให้ฟังมานั่นแหละเรียกว่านิสัยของคนพานดังนั้นแหละการบำเพ็ญตนเป็นนักเรงสี่จำพวกและการไม่สำรวมในพุทธบัญญัติท่าประการนั่นน่ะมันก็ทำให้เป็นคนใจดำอมหิตขาดเมตตากรุณาต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ผู้ใดไปพบคนเช่นนั้นก็จะเป็นไปอย่างเข า, าจะกลายเป็นคนใจดำอมตหิตไปไม่มีสติปัญญาจะละบาปละโทษเหล่านั้นได้เลยก็อย่างนี้แหละขอให้พากันพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีๆพิณาตั้งใจพิณาให้ลึกซึ้งลงไป เราจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าปฏิบัติตามจริงๆคำสอนของมุติเจ้านี่เมื่อปฏิบัติตามแล้วเราจะได้พ้นจากความทุกข์หมายความว่างั้นพ้นจากความทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นนี่เป็นความพ้นทุกข์ในขั้นต้นนะอ่าขั้นที่สองเราก็จะได้พ้นจาก การเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนไปในวตาสงสารนี่เพราะว่าเมื่อบุคคลมีชีวิตอยู่เกิดมาเป็นคนอย่างนี้แล้วไม่ไม่ได้ไปตกนรกหมกไหมนะก็เลยมาสร้างบุญบา ร, รมีอย่างนี้แหละ <c oughs> อย่างที่เราปฏิบัตกิกระทำกันอยู่นี้เองฮนะพ่อคูนบุญบา ร, รมีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับ เมื่อเมื่อมาเป็นมนุษย์นี่ได้คอกหาสมาคมนักปราบบัณฑิตท่านชักชวนให้ละความชั่วทำความดีอ้าวบุญบา ร, รมีมันก็มากขึ้นโดยลาดับแต่เมื่อมันยังไม่เต็มตายแล้วบุญบา ร, รมีเหล่านี้ก็นำไปเกิดสุคติโลกสวรรค์อันเป็นโลกแห่งความสุขไม่ใช่โลกแห่งความทุกข์แต่ว่าเป็นเป็นความสุข ชั่วะระยะยาวพอสมควรเดียวแหละแต่มันก็มันก็หมดได้เหมือนกันแหละความสุขในสวรรค์ก็ดีแต่เมื่อบคุคคลผู้ที่ยังสร้างบุญบา ร, รมีไม่เต็มเมื่อสั่งสมบุญบา ร, รมีไว้พอสมควรในใตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์สวยผลแห่งบุญกุศลอ น, นันอยู่สบายสบาย ไม่ได้ไปตกนรกไม่ได้เป็นเปรตอสุรกายสัตว์นิยมฉานเลยนี่ขอให้พากันพี่นาให้ดีบางคนเนี <c> ่ย <oughs> แก่หัวเนื้อเกินไปเฮ้ยสวรรค์นี่ยมันไม่พ้นทุกข์กไปทำไมไปนี่ผานทีเดียวไม่ดีเหรอืออย่างนี้ก็มี โอ้ยอันคำพูดนั่นพูดง่ายดีอยู่แต่เวล า, าการกระทํานั่นที่เมื่อบุญกุศลยังไม่เต็มจะไปนิพพานได้ที่ไหนขอพระนิพพานนั่นเป็นที่สุดแห่งทุกเป็นที่สุดแห่งความสุขอีกด้วยนั่นสุขได้เสมอด้วยพระนิพพานไม่มีแล้วขอเป็นความสุขอันยั่งยืนตลอดอนันตการ เป็นที่แสดงทุกข์ก็ห ม, มายความว่าทุกข์มันไม่ได้ติดตามเข้าไปสู่นิพพานอมเมื่อจิตของท่านผู้ใดบรรลุนิพพานแล้วทุกข์ตามเข้าไปไม่ถึงเลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นอ่ะก็เพิ่งพากันเข้าใจคนที่ดิ้นรนอยากได้นิพพาน ไ, ไวๆนั่นอ่ะคนนั้นมันจะเสื่อม เมื่อดินลนไปแล้วมันไม่ได้สมประสงค์กับท้อใจอแล้วก็ยุติเสียไม่ขวนขวายไม่ดินลนเลยนั่นนี่ว่าเดินผิดทางมีความเห็นผิดไปจากทางสายกลางจึงไม่ควรถือเอาอย่างถือเอาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดีกว่า พองค์ตัดได้ว่าวิิเยนะทุก ข, ขามัจเจ ต, ติผู้จะร่วงพ้นจากทุกได้ก็เพราะมีความเพียรอันนี้นับว่าเป็นคุณธรรมที่ควรใส่ใจไว้เพราะว่าการตั่งสมบุญกุศลนี่จะชี้ให้ดูเอาพูดถึงการให้ทานอย่างนี้นะแล้วตนมีสมบัติมากเท่าไหร่ เพราะจะว่าให้ทานมากมากเอาจะให้ได้บุญมากมากนี่เน่ะมันเป็นไปไม่ได้นผู้ใดมีสมบัติเข้าของมีเงินทองมีเท่าไหร่ก็ให้ทานไปได้เท่านั้นเลยอย่างนี้นะเอ้าการรักษาศีลอย่างนี้าบางคนก็รักษาไปได้บ้างขาดไปบ้างออย่างงี้นะแล้วจะให้บุญบารมีมันเต็มได้ อย่างรวดเร็วยังไงอ่ะอถ้าอยากให้บุญบารมีมันมากขึ้นให้มันเต็มเร็วอย่างนี้นะเอารักษาศีลก็รักษาให้บริสุทธิ์จริงๆสระชีวิตเพื่อศีลจริงๆอย่างนั้นตายเป็นตายแล้วเราจะไม่ล่วงศีลเด็ดขาดผู้ใดรักษาศีลประเภทใดอยู่ ก็ต้องพยายามรักษาสินประเภทนั้นให้บริสุทธิ์จริงๆนี่ อ, อนั่นแหละมันก็เพิ่มพูนบุญบา ร, รมีให้สูงขึ้นไปได้อ่าผู้ดใดเห็นคุณค่าแห่งการภาวนาอ่าภาวนานี่แหละเป็นอุบายละกิเลสตัณหาอุปาทานอันมีอยู่ในใจนี้ให้หมดไปสิ้นไปเช่นนี้ ไม่มีทางอื่นที่จะมากำจัดกิเลสอยู่ในจิตใจนี้ให้หมดไปสิ้นไปได้มีแต่ภาวนาน้อมสติระลึกเข้าไปหากายหาจิตนี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพ่งดูจิตตัวเองอยู่อย่างนั้นนะอ้าจิตที่มันเคลื่อนไหวยังไงอ่ะมันหลงหลงไหล ย, ยึดถือกิเลสอะไรไว้ เมื่อรู้แล้วก็กำหนดละมันสอนใจนี้ให้ละมันไม่สะสมมันไว้สอนใจนี้ให้ละมันจนมันละได้อโดยอาศัยสมาธิเป็นฐานที่ตั้งของปัญญาเมื่อกำหนดใจให้ตั้งมันลงไปแล้วก็ใช้ปัญญาสอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะนึกถึงอุบายต่างๆ ที่ได้ยินได้ฟังมาให้ได้แล้วก็ได้อุบายธรรมะต่างๆแล้วก็เอาสอนใจตัวเองด้วยอุบายนั้นๆเข้าไปใจนี้เมื่อมันได้รับอุบายในทางที่ถูกที่ชอบแล้วมันก็เบิกบานผ่องแผ้วมมันกวละสิ่งที่ควรละได้เลยมันก็กระทําสิ่งที่ควรกระทําให้เกิดให้มีได้ เพราะมันมองเห็นช่องทางอยู่แล้วเป็นงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดไปพูดมาแล้วก็จึงว่ามาสรุปลงที่ดวงจิตตรงนี้เองอที่พูดมามากๆนี่มันล้วนแต่อุบายมาฝึ ก, กจิตสอนจิตคือธรรมชาติรู้อันเดียวเท่านี้จำไว้ให้ดีไม่ใช่ทำ เมื่อไม่ใช่อุบายมามีอุบายเพื่ออย่างอื่นหาม่ได้อุบายสอนจิตดวงนี้ให้ละความยึดความถ ử, ือทีแรกก็ละความยึดในทางชั่วดังกล่าวมาแล้วนั้นน่ะให้มันหมดไปสิ้นไปจากขิตใจเป็นนักบวชก็ละความชั่วของนักบวชต้องศึกษาให้รู้ความชั่วของนักบวชมีอะไรอย่าง น, นี้นะ ไม่ใช่ไม่มีอ่ ะ, อะการบวชมานี่ก็เพื่อบวชมาเพื่อละความชั่วนั่นเองเข้าใจเมื่อเป็นครือข่านั่นโอกาสที่จะภากเพียนละความชั่วมันได้ยากเพราะว่ามีแต่เพื่อนฝูงเพื่อนฝูงเน่คนดีก็มีคนชั่วก็มีมีแต่การแต่งงานไม่ได้มีเวลาจะได้มาสำรวมจิตฝึกจิตให้ตั้งมัน่น ไม่ได้มีปัญญาจะมาสอนจิตไทรักความชั่วอนันต์ใดเป็นเครือข่ายนาะยากเต็มทนนะี่ยนั่นั้นเมื่อ น, นี้มาบวชเข้าไปแล้วมีโอกาสเต็มที่ถ้าผู้ไม่ประมาทนะอืมแต่ผู้ประมาทแล้วก็ยังว่านะนะบวชเข้ามาแล้วก็มีแต่กรกับ น, นินอย่างเดียวไม่มีความเพียรไม่ทําความเพียรไม่อดไม่ทนต่อความยากลําบาก เช่นี้มันก็เท่าเก่า น, นั่นแหละเป็นครือข่าไม่แตกต่างเลยบางทีอาจจะเล ว, วกว่าครือข่าย้ําก็ได้เพราะว่าเราอาศัยเรี่ยงคีพกับชาวบ้านเขาเป็นอย่างนั้นสําหรับเป็นครือข่ายเนี่ยมันหาเรี่ยงตัวเองค่อนชั่วน่อยอันนี้เป็นนักบวชเนี่ยมีชีวิตเรื่องอยู่ด้วยชาวบ้านดังนั้นถ้าใครเกลียดคลานไม่ชําระสาสางตัวเอง ให้บริสุทธิ์จากกิเลสปาประธรรมแล้วมันก็ไม่มีผลอะไรอันเป็นที่น่าชื่นใจเลยการบวชนะถ้านักบวชผู้ใดตั้งใจฝึกตนทรมานจนเข้าไปทำราคะโทสะโมหะมานะทิฐิต่งตางๆเหล่านี้ให้เบาบางอุปจักกิจใจให้ได้แล้ว ย่อมได้รับความอุ่นใจต่อตัวเองเลยได้รับความปลอดโปรงใจเชื่อแน่ว่าตายแล้วตนไม่ไปนรกแน่นอนอืมนี่แหละได้ความอุ่นใจแม้ว่าไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษก็เรียกว่าไม่ไปสู่นรกก็แล้วกันแหละไม่ไปเป็นเปรตอสุรกายสัตติไรฉานก็มีสุขคติเป็นที่ไป แต่อย่างนั้นขอให้เข้าใจกันเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็พึงพากันพิจารณาประพฤติปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาทก็จะได้ประสบความถูกอันภัยบูนไม่วันใดก็วันหนึ่งดังแสดงมา